ทำเป็นเล่นคือมันจําเป็นจริงๆนะคือมนุษย์เราเนี่ยสำรวจแล้วก็หาสิ่งที่ไกลออกไปมากเรื่อยๆเสมอเรามีการค้นพบทวีปอเมริกาใช่ไหมฮะเรามีการเดินทางเรือทางอะไรต่างๆนะนแต่ก่อนการเดินทางแบบนี้ก็ฟังดูเป็นเรื่องที่แบบไปทวีปใหญ่ mm. ที่มันไม่มีอะไรไปทําไมกลายเป็นอเมริกาแล้วเนี่ยต่อไปดวงจันทร์ต่อไปดาวอังคารแล้วในอนาคตมันอาจจะมีอย่างที่บอกอินเ Inter อร์สเตลล่าสเปซดังนั้นการศึกษาขอบระบบสุริยะ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 เวลาพูดถึงคำว่าระบบสุริยะนะคะมันเหมือนกับเป็นคำที่มีภาพติดมากับหัวของเราเลยนะคะทุกคนเห็นภาพเดียวกันไหมว่าเราจะไล่มาเลยตั้งแต่ดวงอาทิตย์ดาวพุธ ด, ดาวศุกร์โลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไล่ไปแต่ว่ามีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสุดขอบของระบบสุริยะเนี่ยคืออะไรชวนมาออกเดินทางไปด้วยกันกับใดในโลกโลนฟิสิกส์วันนี้นะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับฟังรัทโรจิตพนาค่ะและผมอาว่าโรงจันทรมะครับ พี่ปกปางคะถ้าชวนคุยกันก่อนว่าระบบสุริยะคืออะไรที่เราได้ยินกันอยู่แล้วก็เป็นออสิ่งที่โลกของเราเนี่ยอยู่ด้วยมันคืออะไรคะพี่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงคําว่าระบบสุริยะเนี่ยมันก็คือระบบที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์คือดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวฤกษ์นะแล้วมันมีมวลมากมีแรงโน้มถ่วงมากตัวมันอยู่ตรงกลางระบบระบบหนึ่งแล้วมันก็แผ่อิทธิพลดึงดูดสิ่งต่างๆให้โคจรไปรอบๆตัวมัน ทั้งหมดที่โคจรไปรอ บ, บตัวมันและอิทธิพลของมันไปถึงเนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่าเหล่านี้คือระบบสุริยะทั้งหมดเลยใช่ดังนั้นระบบะสุริยะก็คือระบบที่ได้รับอิทธิพลและโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์อะไรแบบนี้ค่ะมีคําถามว่าจริงๆแล้วในเอกภพของเราเนี่ยระบบสุริยะที่ลอกเราอยู่เนี่ยมันมันเป็นแค่ระบบสุริยะเดียวไหมหรือจริงๆในเอกภพมันมีระบบสุริยะอื่นๆอีกไหมที่ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์นะครับเราพบว่าดาวฤกษ์ต่างๆในเอกภพเนี่ย ก็มีมากมายหลายระบบที่เรารู้แล้วว่ามันมีดาวเคราะห์อื่นๆโคจรรอบๆระบบดาวฤกษ์ เ, เหล่านั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นระบบสุริยะอื่นๆก็ได้นะเพียงแต่ว่าดาวฤกษ์ตรงกลางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนดวงอาทิตย์นะครับแต่มันก็เป็นดาวฤกษ์เหมือนกันถ้าบอกว่าดาวฤกษ์เป็นเหมือนต้นไม้ก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับแล้วก็ทที่โคจร อ, อยู่รอบๆก็มีอยู่แน่นอนดังนั้นระบบสุริยะอื่นๆมีไหมมี มีเยอะมากด้วยเท่าที่เราเจอกันแล้วนะครับตัวดาราที่อยู่ตรงกลางเนี้ยบ้างก็มีมวลมากใหญ่มากเลยก็มีบ้างก็มวลเล็กๆอะไรเงี้ย ม, มีมีหลากหลายใช่ค่ ะ, คะแล้วถ้าเราพูดถึงการสำรวจในยุคนี้มนุษย์เราสำรวจออกไปนอกระบบสุริยะไหมคะหรือว่าตอนนี้เรายังอยู่ในระบบสุริยะอยู่จริงๆต้องบอกว่ามนุษย์เราเนี้ยพยายามศึกษาดาราศาสตร์ในแง่ภาพรวมทั้งหมดเท่าที่เราจะทําได้นะครับทั้งโครงสร้างภาพรวมของทั้งเอกภพไปจนถึง ระดับในระบบสุริยะซึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านหรือเรียกว่าเป็นในบ้านของเราก็ได้นะฮะ เ, เราเราศึกษามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทุกสเกลแต่ ถ, ถ้าถามว่าอุปกรณ์ที่ไกลที่สุดที่เราส่งออกไปเนี่ยไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราว่ากันแต่ทุกวันนี้ยานอวากาศก็ก็ไปลงตามที่ต่างๆในระบบสุริยะเยอะนะครับทั้งแบบออบิเตอร์คือโครจรรอบรอบวัตถุที่สนใจหรือแม้แต่แบบแรนเดอร์ก็คือลงจอดเลยอ่าแล้วก็ไปเก็บข้อบูลพื้นผิว แลนเดอลงจอดบางแลนเดอร์นี่อาจจะจะวิ่งมีเป็นรถหุ่นยนต์ Ro เวอร์ออกมาวิ่งมาสำรวจได้ด้วยอย่างดาวอังคารเนี่ยมีรถหุ่นยนต์ทํางานอยู่หลายหลายลําแล้วใช่ค่ะก็พอได้ยินคําว่าเออเราไปสำรวจดาวอังคารไปดวงจันทร์มันก็เป็นคําที่คุ้นคุนหูแต่ทีนี้ตอนของวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยมัน <c oughs> มันไม่ค่อยคุ้นหูสําหรับคนทั่วไป อ, อย่างฟังนะถ้านอกวงการวิทยาศาสตร์ไอ้ ก, การไปที่สุดขอบของระบบสุริยะมันคืออะไรมันเป็นคําถามที่จริงจริแล้วน่าสนใจเพราะในห้องเรียนเราก็จะเรียนกันแค่ว่า ระบบสุริยะคือ อ, อะไรอะไรแค่นั้นแต่สุดขอบมันมันมีเหรอพี่มันคืออะไรขอบมันอยู่ตรงไหนใช่ไห ม, อ, มอย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นระบบที่ได้รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์ทีนี้ขอบมันอยู่ตรงไหนเนี่ยคำว่าขอบเนี่ยมันมันไม่ใช่ของที่มีขอบชัดเจนแบบแก้วน้ำอะตรงเนี้ยขอบมันไงหลุดออกมาอะตรงเนี้ยไม่ใช่ละตรงเนี้ยโต๊ะ หลุดออกมาจากโต๊ะอันนี้ไม่ใช่โต๊ะอย่างเงี้ย อ, อันนี้คือปองแปงหลุดออกไปเป็ น, ปนที่ว่างแล้วก็เจอน้องฟางแล้วก็หลุดอันนี้มีขอบชัดเจนเนะอะระบบสุริยะเนี่ยมันต้องถามก่อนว่าเราจะเอาขอบแบบไหนออืืแต่เอาเป็นว่าผมจะค่อยๆไล่ไปก็แล้วกันว่าขอบที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยมันสุดที่ดาวเคราะห์ก่อนแล้วกันคะนะครับถ้าถามว่าดาวเคราะห์ไกลที่สุดที่เรายอมรับว่าเป็นดาวเคราะห์ที่ไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุดเนี่ย ดาวอะไรก็น่าจะเนปจูนพลูโตอะไรอย่างี้ป่ะคะอะพลูโตเนี่ยไม่ใช่ดาวเคราะห์แล้วแต่ละบางคนคือดาวพลูโตเนี่ยเดิมทีที่ตอนแ ร, แรกที่ค้นพบมาหลายปีเลยนะครับ mm hmm. เขายอมรับว่ามันเป็นดาวเคราะห์สักระยะใหญ่หญเลยจนกระทั่งมีการศึกษาเก็บข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมมากมายในที่สุดมันก็ไม่ใช่ดาวเคราะห์มันกลายเป็นดาวเคราะห์แคแต่ ครูโตยังอยู่ในระบบสุริยะน ะ, ะเราไม่ได้ขับมันออกไปบอกว่าแบบเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่อยู่บ้านเราแล้วนะคุณยังอยู่ในระบบสุริยะเป็นสมาชิกอยู่นะเป็นสมาชิกแต่เปลี่ยนสถานะอ่าทีนี้ถามว่าทำไมไหนไพูดแล้วพูดนิดนึงแล้วกันทำไมดาวครูโตจู่ๆถูก ถ, กถกอดออกอแปลกไห ม, ม<ะ>ตอนนั้นมีการไปโหวตกันระหว่างนักดาราศาสตร์นะฮะจำนวนมากเป็นสมาพันธ์ดาราศาสตร์เลยเป็นไปโหวตกันถึงนิยามดาวเคราะห์แล้วสุดท้ายดาวครูโตเนี่ย มันไม่เข้านิยามมันก็เลยถูกถอดออกค่ะไม่เข้านิยามในข้อไหนคะพี่คุณจะเป็นดาวเคราะหได้คุณต้องผ่านสามข้ออือ่ะหนึ่งคุณต้องโคโจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะซึ่งโูโตโคโจรรอบดวงอาทิตย์อ่ะถูกต้องอ่ ะ, อ, ะอันนี้ผ่านลอะอนะถ้าดวงจันทร์โลกของเราเป็นดาวเคราะห์ไหมมันโคจรรอบรอบโลกหลกัหลกๆ<ะ>แล้วมันโคโจ ร, รรอบโลกเราดังนั้นมันไม่ใช่ดาวเคราะแลลวเพราะ มันเป็นบริวารของโลกเราะนะครับดวงจันทร์นี่มั น, ม น, มนโครจรรอบรอบดาวเคราะห์อื่นๆไอ้พวกดวงจันทร์ทั้งหลายก็ไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่ดาวเคราะห์แน่นอนครูโตเนี่ยโครจรรอบดวงอาทิตย์อาพารหนึ่งล ะ, ะข้อ2มวลมากจนกลมอมน้องกลมไหมคะกลมครับ<อ>คือหมายความว่าถ้าวัตถุมวลน้อยๆเนี่ยลองลองนึกภาพเราปั้นดินน้ํามันนะเราอาจจะปั้นเป็นรูปรูปวัวรูปควายรูปงูรูปอะไรที่ชอบปั้นกันอะรูปไข่รูปอะไรเงี้ยได้หมดเลย แต่ถ้าดินน้ำมันมันใหญ่มากๆคือมีแรงโน้มถ่วงมากๆเนี่ยตรงไหนที่มันแหลมขึ้นมาเป็นภูเขาใหญ่มากๆจนจนจ น, จนไม่กลมอะแรงโน้มถ่วงมันมีแนวโน้มที่จะกดไอ้ส่วนที่เกินๆให้ถล่มลงมาจนสุดท้ายมันจะกลมๆนะค่ะภูตโตใหญ่ฮะแล้วมันกลมด้วยไปดูรูปดาวภูตโตนะครับ อ, อ, องค์การนาซาเขาถ่ายมากลมดิ๊กเลยค่อนข้างกลมทีเดียวดังนั้นตัวเนี้ยกม็มีมีมวลมาก เ, เออมีลักษณะกลมผ่านข้อ <ๆ S 1> สองออเขาบอกว่าถ้าผ่าน ข้อสมเนี่ยก็ถึงจะเป็นดาวเคราะห์คือเส้นทางโคจรของมันจะต้องเคลียไม่ไปตัดชาวบ้านคือดาวเคราะ์เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมามันนึกถึงเครปนะครับเครปที่เขาแบบที่เรากินกันเนี่ยกินอร่อยอร่บดาวเคราะห์มันจะเกาะกันเป็นก้อนมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะคล้ายๆกับเป็นหมูหยองหรือเป็นอะไรแฮมเฮิมลูกกงลูกเกดเกาะกันเป็นก้อนแล้วมันก็จะไถเอาเอาส่วนนั่น รวบไปหมดเลยทำให้ช่วงที่มันระหว่างที่มันโคจรอยู่เนี่ยมันจะต้องไม่มีอะไรไปทับเส้นมันนะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไถส่วนอื่นๆที่เป็นเคลฟแบบกินเข้าไปหมดเลยดังนั้นช่วงนีระหว่างที่มันโคจรเส้นทางของมันอ่ะมันจะต้องไม่มีใครไปไปทับลูโตเนี่ยมันมีทีนี้พอมันมีปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่ามันผ่านแค่สองข้อถ้าผ่านสองข้อคุณเป็นได้แค่ดาวเคราะ์แครนะครับประมาณนั้น ไม่รู้ว่าคนดูรายการเรามีเด็กๆที่เป็นมัธยมหรือเปล่านี่อาจจะออกข้อสอบบ่อยมากเลยนะว่าเป็นไหมใช่ไหมว่าทํำไมถึงไม่เป็นใช่ไอเป็นไหมเนี่ยทุกคนอาจจะพอรู้แต่ทําไมไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะค่ะแปลว่าคําว่าดาวเคราะแคระเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันเล็กหรือว่ามีมวลน้อยไม่ผ่านนิยามไปแล้วสองข้ออย่างนี้ก็พลูโตเลยเป็นดาวเคราะแคระตอนที่เขาค้นพบดาวพลูโตใหม่ๆนะฮะคนค้นพบชื่อคล้ายทอมบอเป็นนักดาราศาสตร์อเมริกันซึ่ง เก่งมากนะถึกมากอดทนถ่ายรูปดาวศึกษาละเอียดมากแล้วเทคโนโลยีกับข้อมูลระยะหลังๆมามันทำให้เราค้นพบว่าแถวๆวงโคโจรดาวพลูโตครับมันมีอันโน้นอันนั้นอันนี้โผล่ขึ้นมาแล้วมันก็โคโจรอยู่แถวๆนั้นเยอะเลยดังนั้นถ้าคุณนับพลูโตเป็นดาวเคราะหนะดาวเคราะห์มันจะเยอะมากๆอ๋อก็จะมีสิ่งอื่นที่อยู่รายล้อมแถวนั้นเนต็ไมไปหมดเลย นะครับคือถ้าปล่อยภูโตไปหนึ่งโอ้โหมาอีกเป็นสิบนะฮะในตอนนั้นดังนั้ น, น, นมันไปนำมาซึ่งนิยามที่ทำให้ความเป็นดาวเคราะห์ ross, มันชัดเจนค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นภูโตยังเป็นสมาชิกในระบบสุริยะถึงแม้จะไม่ใช่ดาวเคราะห์แต่ก็ยังไม่ใช่ขอบของระบบสุริยะแล้วขอบคืออะไรอ่ถ้าเราบอกว่าเนปจูนเนี่ยคือไกลมากเลยนะฮะค่ะระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์เนี่ยสมมติผมเรียกหนึ่งหน่วย แล้วมันมีนักดาราศาสตร์เขาเรียกกันจริงๆนะเขาเรียกหน่วยดาราศาสตร์เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินหนึ่งเอยูแอสโท o โนมิคอลยูนิคือระยะทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกของเราเนี่ยเรียกหนึ่งหน่วยดาราศาสตร์จากดวงอาทิตย์ไปถึงเนปจูนเนี่ยประมาณสาสิหน่วยดาราศาสตร์ไกลไหมไกลไกลมากเมันเพิไกลเลยอ่ะสามสิบขึ้นไปดังนั้นอะไรที่ไกลกว่าเนปจูนเนี่ยมันจะเริ่มลึกลับเราจะเรียกวัตถุที่ไกลกว่าเนปจูนเนี่ยว่า t r a n s n e นปจูเนียนอ็อบหรือวัตถุไกลกว่าเนปจูนซึ่ง ในมุมหนึ่งวัตถุที่ไกลกว่าเนปจูนออกไปเราอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ขอบนอกก็ไม่น่าเกลียดเกินไปนี่เอาไหมฮะมทีนี้ที่ว่า t r น n s n จ p นเนี่ยออบเจกมีอะไรบ้างเราอาจจะแบ่งหลักๆเป็น2ชนิดก่อนแล้วกันนะครับ ท, ที่เรารู้ดีนะฮะชนิดแรกเรียกแถบไคเปอร์ไคเปอร์ค่ะใช่พลูโตเนี่ยอยู่ในแถบไคเปอร์นะฮะอะไรอะไรคือนิยามของการเป็นแถบไคเปอร์คะ ก็อยู่เลยจากดาวเนปจูนออกไปและมีระนาบวงโคจรที่ค่อนข้างจะอยู่ในระนาบเดียวกับเคลปกับผมชอบเปรียบเป็นเคลฟอะคือเปรียบแล้วหิวเลยนะตอนนี้หิวไหมคืออะไรที่มันโคจรอยู่ในระนาบระนาบก็คือแผ่นเดียวกันเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นาะนาบเดียวกันแถบไฮเปอร์ก็อยู่ในระนาบเดียวกันจะเอียงก็เอียงไม่มากอะไรเงี้ยครับอันนี้พบแถบไฮเปอร์นะครับแถบไฮเปอร์นี่เจอเยอะแยะเลยนะพลูโตเป็นหนึ่งในนั้นค่ะใช่ค่ะ และอีกชนิดหนึ่งเรียก scattered disc หลายๆคนไม่เคยได้ยินสิ่งนี้นะครับคืออะไรที่มันเอียงกว่าระนาบขึ้นไปมากเนี่ยจะเรียก scattered disc ละ แต่ว่าอาจจะยังอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่องศาแบบองศาปาละปาล ะ, ะใช่ความที่องศาปาละเนี่ยมันมันบ่งชี้ถึงการกําเนิดที่แตกต่าง ม, มันก็เลยต้องถูกแยกแยะเป็นเป็นสกลุ่ม2องไทป์ะนะครับประมาณนั้นก่อนแล้วสิ่งนี้เรียกว่าสุดขอบหรือยังคะยังมีอีกไหมไอ้ความลึกลับไปอีกเนี่ยที่ผมบอกว่าตรงนี้เป็นขอบเท่าที่เรารู้นะครับก็คือเราค้นพบวัตถุในแถบไคเปอร์เราค้นพบ scattered disk แต่เราเชื่อว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เจอหรือจริงๆเราเจอแล้วอาจจะยังไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เขาเรียกว่าเมกออสภาษาอังกฤษคือออสออสคลาวเคยเคยได้ยินไหมครับไม่คุ้นค่ะแต่ว่าชื่ออย่างนี้มันตั้งตั้งชื่อจากอะไรมีคนคิดค้นอะไรเงี้ยคนคนที่สันนิษฐานว่ามีเขาชื่อคุณแจนออสแจนออสก็เลยเรียกตามชื่อผู้สันนิษฐานว่ามันน่าจะมีตามชื่อของคนนั้นก็คือเมกออะไม่ใช่ลูกออสนะออสออเตอรทีนี้เมกออสเนี่ย สันนิษฐานกาจะทำไมทำไมไปคิดว่ามันจะมีถ้ามีนะฮะมันจะไกลออกไปในระดับแบบปีแสงเลยนะคราวนี้จะไม่ใช่หลักหน่วยดาราศาสตร์อะไรแล้วจะเป็นไกลออกไปมากแล้วมันก็จะคลุมทั้งระบบสุริยะเป็นทรงกลมด้วยโอแต่มันก็ไม่ได้คลุมแบบเป็นเปลือกเหมือนเปลือกไข่นะฮะถ้ า, ถ, าถ้าเป็นแบบนั้นอะ่ะเราก็มองทะลุกออกไปไม่ได้ใช่ปะ่ะอาจจะเบลอๆไม่ได้มีเขตแดนชัดเจนมันจะห่างๆกันใช่ทีนี้ไอ้เจ้าเมกออสเนี่ยเราเชื่อว่ามันน่าจะมีเพราะ เราเจอผู้มาเยือนฮนระผู้มาเยือนที่ว่าเนี่ยคือดาวหางคาบยาวดาวหางบางชนิดเนี่ยมันโครจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยคาบที่ยาวมากหลักแบบเป็นสองร้อปีอะไรเงี้ยคือกว่าจะเข้ามาในดวงอาทิตย์เนี่ยวันนี้ฮะออกไปถ้ามันจะเข้ามาอีกทีนึงอนะ่ะรอไป200รอปีขึ้นไปอะไรเงี้ยพวกนี้เขาเรียกดาวหางคาบยาวทีนี้นักดาราศาสตร์เขาก็สงสัยว่ามันเกิดมาจากไหนไอ้ดาวหางคาบยาวเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงออเออ คุณแจนออสและก็นักดาราศาสตร์นะเขาก็เชื่อกันว่าบางทีมันอาจจะมีวัตถุที่คลุมระบบสุริยะเราอยู่ซึ่งเราเรียกว่าเมฆออสนี่แหละพ อ, พอมันอยู่คลุมอยู่ไกลๆเนี่ยเท่ากับแรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์ที่ไปยึดมันเนี่ยค่อนข้างอ่อนมากพอโดนแรงโน้มถ่วงจากดาวเร่กรอบๆวัตถุอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะหลุดกระเด็นออกมากระเด็นเข้าไปถ้ามันกระเด็นเข้ามามันก็อาจจะกลายเป็นดาวหางคาบยาวได้เราเลยเชื่อว่ามันน่าจะมีโครงสร้างชื่อว่าเมฆออสอยู่แต่เรายังไม่เคยเจอนะครับอ หรือจริงๆบางคนก็เชื่อว่าเราอาจจะเจอมันแล้ว ก, ก็ได้แต่เราไม่เชื่อว่ามันใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยก็อตรงนี้ต้องศึกษากันอยู่ดังนั้นขอบระบบสุริยะในแง่ของวัตถุเนี่ยหรือแรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์เนี่ยถามว่ามันไปสุดที่ไหนเราอาจจะบอกว่ามันไปสุดที่เมฆออสหรือ cloud. ออสคลาวหมายคำว่าแรงโน้มถ่วงดวงอาทิตย์เนี่ยมันดึงไปสุดอยู่ตรงออสคลาวซึ่งทั้งที่มัอยู่จริงนะฮะก็ไปสุดแถวนั้นใช่แตท่ทั้งนี้ทางนั้นขอขอขั้นนิดนึง บางทีเราพบว่าไอ้ขอบตัวเนี้หนึ่งเลยคือเราไม่รู้ออดคลาวม์มจริงหรือเปล่าและในทางปฏิบัติหลายๆครั้งมันไม่ค่อยสะดวกเราจะมีนิยามขอบอีกแบบหนึ่งขอบที่ว่าเนี้ยคือขอบที่ลมสุริยะมันไปสุดพอดีอค่ะถ้าถ้ารีแคปคำว่า ล, ลมสุริยะคืออะไรอีกรอบได้ไห ม, มครับลมสุริยะเนี่ยมันให้ภาพของลมพายุที่ที่เราเซนที่เราแบบลมมันพัดเนาะ แต่จริงๆแล้วธรรมชาติลมสุริยะเนี่ยคือดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันเป็นดาวฤกษ์และมันไม่ได้ปล่อยแค่แสงหรือความร้อนออกมาแต่มันยังปล่อยอนุภาคมีประจุฟไฟฟ้าพุ่งออกมาเต็มไปหมดเลยเรามีหลักฐานมากมายว่าลมสุริยะมีจริงนะครับบางครั้งมันพัดแรงมากกว่าปกติแล้วก็จะเรียกว่าพายุสุริยะและมันส่งผลต่อพวกการทางานของพวกยาน อ, อกวกาศเลยที่โคจรรอบโลกได้พอสมควร แต่ก็ไม่ได้เป็นภัยพิบัติโลกแตอกอะไรนะครับบางทีชอบๆอบแชร์กันว่าพายุสุริยะเกิดแล้วแบบโลกจะแตกแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่โลกมันไม่แตกไงไง ม, ม, มันก็คือเหมือนเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากตัวดวงอาทิตย์ใช่คื อ, อเป็นอนุภาคที่พุ่งจากดวงอาทิตย์ถูกต้งองอทีนี้ลมสุริยะนี่มันก็พุ่งออกไปรอบๆแต่ทีเนี้ยมันก็ควรจะวิ่งไปได้แบบเรื่อยๆไม่ไม่สุดใช่ไหม ม, มันสุดหมายถึงว่าอยู่ๆมันก็ไม่ไปต่ออย่างเงี้ยเหรอคะใช่มันไปมันไม่ไปต่อเพราะมันไปเจอลมจากดาวฤกษ อื่นๆดวงอาทิตย์มันไม่ใช่แค่แหล่งกำเนิดลมสุริยะที่เดียวดาวฤกษ์อื่นเขาก็มีลมของเขาภาษาอังกฤษใช้คาว่า stellar wind ภาษาไทายอาจจะแปลว่าเป็นลมลมดาวฤกษ์ ม, มันก็พัดมาพอพัดมามันก็ปะทะกันแล้วมันก็หยุดแถวๆนั้นอขอบที่ลมสุริยะไปสุดอยู่เนี่ยเขาเรียก h e l i o p h e r e ชื่อก็ตรงตัวเฮลิโอเฮลิโอเฮลิโอก็ดวงอาทิตย์พอสก็หยุดเนาะดังนั้นขอบระบบสุริยะในแง่ที่ว่าลมสุริยะไปสุดตรง ไ, ไหนเขาเรียกเฮลิโอพอยส์เมื่อกี้ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เมกออสไปจนถึงเขตแดนที่แบบว่าลมสุริยะมันไปหยุดอยู่อย่างเงี้ยเราเรามีการสำรวจค้นพบหรือว่าหรือว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นทฤษฎีอยู่คะ่ะพี่ปองเป๊ะเมกออสเนี่ยยังเป็นทฤษฎีอยู่นะครับเราพยายามศึกษาค้นหามันให้เจอแต่การจะค้นพบ m มฆออสนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคือวัตถุมันไม่ได้ใหญ่มากแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้เรามากกว่าพวกพวกดาวฤกษ์อื่นๆอนะไรพวกน้หนึ่งคือมันมันเล็กแล้วอย่างที่สองคือมันให้มีแสงสว่างในตัวเองมันศึกษายากนะครัมอเนี่ยยังเป็นปริศนาอยู่มีจริงไม่มีจริงอะไรยงเงเราเชื่อว่ามีแหละค่อนข้างมั่นใจได้มากพอสมควรนะฮะส่วนพวกฮิโอพอสอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยคนพบแล้วเจอแน่ๆมีแน่ๆ น, นะแล้ว ปกติยานอาวกาศต่างๆที่เราส่งไปศึกษาเนี่ยมันก็อยู่แค่ในระบบสุริยะเนาะแต่มียานอาวกาศที่หลุดไปนอกฮลิโอโพสแล้วนะอ๋อหลุดโดยตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจค่ะคือจะเรียกว่าไงดีละ่ะคือตอนแรกยานอาวกาศสองลำเนี่ยเขาถูกส่งไปสำรวจพวกดาวเคราะห์วงนอกพวกเนปจูนพวกอะไรพวกนเนี้ยนะฮะยู่เรนเนียเนปจูนอะไรแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ย ยานพอมันวิ่งไปด้วยความเฉื่อยของมันมันก็ไม่มีอะไรไปหยุดมันนะครับมันก็วิ่งไปเรื่อยๆของมันหลาย10ปีมาแล้วนะเราส่งมันออกไปแล้วถึงวันเนี้มันก็หลุดออกไปนอกเฮลิโอโพสดังนั้นเราเรียกยานสองลำนี้ว่ามันเข้าสู่อินเตอร์สเตลล่าสเปซก็คือชื่อหนังเลยใช่ใช่คืออินเตอร์สเตลล่าก็คือที่ว่างระหว่างอินเทอร์ก็แปลว่าระหว่างสเตลล่าแปลว่าดาวเรือกอันนี้ก็คือเข้าสู่ที่ว่างระหว่างดาวเรือแล้ว2องลำนี้สุขงวังไกโพ้นบึงวางมาก แล้ว2ลำนี้ก็คือ v o เอเจอร์นะครับเอเจอร์หนึ่งสองนะแล้วมันยังทำงานด้วยแล้วน้อนเก็บเก็บข้อมูลต่างๆอยู่ด้วยนะไม่น่าเชื่อนะทนกว่าทีวีบ้านผมอ๋อโอเคแปลว่าการที่มันหลุดออกไปก็มีประโยชน์เหมือนกันทำให้เรารู้ว่าจริงๆมันมีเขตแดนออกไปจากตรงตรงนี้อีก ออกไปจากระบบสุริยะอีกใช่แ ล, <ง>แล้วเขาก็ไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสเตลล่าวินก็คือ ล, <ง><ง>ลมดาวเรือคือถ้าเราอยู่ในระบบสุริยะเนี่ยสเตลล่าวินหรือลมดาวเกือเนี่ยมันโดนลมสุริยะลบพัดต้านอยูม่มันไม่เข้ามาในนี้ง่ายๆ<ง>แต่ทอนอนออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยก็เก็บข้อมูลสเตลล่าวินต่างๆแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาให้นักดาราศาสตร์อย่างทั่วโลกพากันศึกษากันได้<ง>แม้ว่าจะมีข่าวคราวมาเป็นระยะนะครับว่าบางทีก็มีแฮงก์มีแบบต้องต้องรีบูตบ้างอะไรบ้างแต่ผมก็ว่า เขาก็ยังทํางานได้ดีอยู่นะอื <c oughs> แล้วการที่เราจะไปศึกษาตัวสิ่งที่มันอยู่ตรงขอบหรือว่าสุดขอบหรือว่าเลยเออกไปจากขอบเนี่ยจริงๆแล้วมันศึกษาไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะอืมเป็นคําถามที่ดีแต่ผมว่ามันเป็นเพราะเราอยากรู้คือก่อนอื่นเลยเราอยากรู้ภาพรวมเนี่ยนักฟิสิกส์นักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันเขาอยากรู้ธรรมชาติของธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละเท่าที่จะเป็นไปได้ทีนี้ เขาก็เริ่มต้นจากการศึกษามากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่หนึ่งในสิ่งที่เราละเลยไม่ได้ก็คือการศึกษาบ้านของเราก็คือระบบสุริยะเนี่ยว่าขอบของมันเป็นยังไงบริเวณที่เราอยู่เป็นยังไงนึกออกไหมฮะแต่ละภาคส่วนก็พยายามศึกษาเพื่อประกอบหาองค์ความรู้มาประกอบคัดง้างขัดแย้งกันต่างๆเพื่อที่จะได้สุดท้ายเราจะได้มีองความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของระบบสุริยะของบ้านเราให้ดีที่สุดนะ คือในระยะสั้นมันทำให้เราแค่รู้ธรรมชาติแต่ในระยะยาวผมมองว่าถ้ามนุษย์เราจะเป็นสปีชีส์ที่เดินทางสู่อินเ r อร์สเตลล่าสเปซจริงการจะออกไปตรงนั้นเนี่ยจะเจออะไรบ้างเราต้องรู้นะครับว่ามันมีอะไรถูกไหมดังนั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ณนปี2020กว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะ เ, เรามีข้อมูลเกี่ยวกับขอบระบบสุริยะหรือเลยเฮลิโอโพสออกไป น้อยมากพอสมควรนะแต่ในอนาคตถ้าเราจะเริ่มพยายามเดินทางไปสู่ที่อื่นๆในอนาคตอันไกลโพ้นถ้ามนุษย์เรายังเซอร์ไพรกันอยู่นะครับข้อมูลตรงนี้จะต้องเยอะมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็อาจจะมีการเดินทางไปอย่างแท้จริงทําเป็นเล่นคือมันจําเป็นจริงๆนะคือมนุษย์เราเนี่ยสำรวจแล้วก็หาสิ่งที่ไกลออกไปมากขึ้นเรื่อยๆเสมอเรามีการค้นพบทวีปอเมริกาใช่ไหมฮะเรามีการเดินทางเรือทางอะไรต่างๆกันนะ แต่ก่อนการเดินทางแบบนี้ก็ฟังดูเป็นเรื่องที่แบบไปเทวีใหญ่ที่มันไม่มีอะไรไปทำไมกลายเป็นอเมริกาแล้วไงต่อไปดวงจันต่อไปดาวอังคารแล้วในอนาคตมันอาจจะมีอย่างที่บอก i ินเทอร์ l l a r Space ดังนั้นการศึกษาขอบระบบสุริยะก็เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยเป็นอินเทอร์ l l a r s p e c ปีชได้ในอนาคตก็คือขยายเขตแดนออกไปออกไปข้างนอกเพื่อกลับมาข้างในเพื่อกลับมาทาความเข้าใจบ้านของเรานนะคะพอฟัง เมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วฟังรู้สึกว่ายิ่งเราออกห่างอย่างที่บอกว่าออกห่างไปจากบ้านจากโลกหรือแม้แต่ระบบสุริยะที่เราอยู่เองมันก็เหมือนกับทำให้เราได้กลับมาทบทวนนะการออกไปเพื่อเข้ามาข้างใน อ, ออกไปเพื่อทำความเข้าใจบ้านฟังว่าคานี้น่าสนใจมากแล้วก็เมื่อกี้พอฟังพี่บงแบงพูดก็รู้สึกว่านักฟิสิกส์นักฟิศาสตร์เายัางไม่ได้หยุด ที่เขตแดนนี้ก็ยังพยายามที่จะออกไปหรือแม้แต่นอนที่ออกหลุดออกไปไ<ว>อย่างนี<ว>้ก<ว>็ยังค<อ>งท<ๆ>ําหน้าที่นั้นอยู่นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดที่จะปิดเขตแดนของการศึกษาต่อไปเนี่ยคงจะมีใดๆในโลกโล้วนฟิสิกส์อีกหลายร้อยตอนนะคะที่จะมานําเสนอเรื่องราวสนุกสนุกของทางดาราศาสตร์และก็ฟิสิกส์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะก็อย่าลืมนะคะ Subscribe นะคะที่ YouTube Channel ของเด็กสแตนดาร์ดพอดแคสแล้วก็ติดตามรับฟังพวกเราได้นะคะในทุกๆ Podcast Player เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ